พระนนท่านว่ากันแหละคนตาบอดถือดวงประทีปก็ถือไปได้แหละแต่เอ้าจะไปทําอะไรกับคนตาบอดแล้วเนี่ยนะฉันใด้นั้นเราก็อย่าไปดูคนอื่นพยายามดูตัวเองว่าตัวเองจเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะถึงเอางี้แล้วกันถ้าเขาจะเลวเราก็ไม่ได้ตกนรกกับเขาหรอกถ้าเราไม่เลวด้วยอนะถ้าเขาดีเขาบรรลุมรรคผลเราก็ไม่ได้บรรลุด้วยหรอกถ้าเราไม่เอาตามเขาอ่ะเอางี้แล้วกัน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 ถ้าเราไม่ได้ดีปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์แปดเราก็ไม่ได้ดีจริงหรอกเพราะคนจะเลวคนจะชัว่วจะเจริญจะตกต่าก็ไม่ได้เป็นไปตามคำของคนอื่นแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดเราก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าไม่เป็นไปตามมรักมีองค์แปดก็ไม่สามารถทาที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นถ้า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 โทสะโดยสิ้นเชิงและผู้กำจัดโมหะได้โดยสิ้นเชิงแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นพาธหานแล้วเกลี้ยวกราดไม่ใช่เนี่ยนะพราะพาธฐานคือผู้ที่กำจัดราคะโทสะและโมหะได้อย่างสิ้นเชิงกำจัดโลโมโลภ โ, โมโทสันได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะกำจัดอิจฉาริษยามัจฉริยะเป็นต้นเนี่ยได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะเพราะพาธฐานเนี่ยจึงไกลาจากกิเลสซึ่งไม่เหมือนคนมีกิเลส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 ลุ่มหลงและงมงายท่านจึงไกลจากกิเลสกำจัดค่าศึกคือกิเลสได้ภายในกำจัดด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะกำจัดค่าศึกภายในเพชะฆาตภายในได้อย่างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ครคู่ควรแก่เครื่องสักการะบูชาโดยประการทั้งปวงและระารหันนั้นน่คือผู้ที่ไม่มีบาปประกรรมอยู่ภายในไม่มีบาป ท, ที่พึงทาด้วยกายวาจาและใจอีกเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของท่าน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 ถ้ามีการประพฤติดีและปฏิบัติตามที่พระองค์บอกกล่าวบุคคลเหล่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะมนถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์บอกกล่าวก็โลกโลกไม่ว่างจากผาฐานคือผู้ที่ทาที่สุดแห่งชาาและมรณะเพราะที่สุดแห่งชราและมรณะคือพระนิพพานที่สุดแห่งชาามรณะก็ต้องตรัสรู้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 อรหันตมรดได้เนี่ยโลกก็พ้นจากอะไรโลกก็พ้นจากชราและมรณะผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าพระอรหันเพราะท่านพ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเป็นผู้ที่เหลือศรีระสุดท้ายคู่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นนาบุญไม่มีนาบุญไหนจะยิ่งไปกว่าพระอรหันอีกแล้วพระพระอรหันถือว่าสุดยอดของปาริปกิกฐาน เนี่ยนะพาหัน์คือสุดยอดของปาฏิปุกกลิกทานมันผู้ใดที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพระาหันเหล่านั้นในที่สุดก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะซึ่งสุภัทภปริภาชกเนี่ยนะเข้าใจอย่างดีเลยเนยนะเข้าเข้าใจมากเลยเข้าใจถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกก็คืออะไรก็คืออริยมัสมีองแปดถ้าเจริญอริยมัชอันประกอบด้วยองแปดบรรลุเป็นพระ สก่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันได้เลยงั้นในข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าถ้ า, อ, าอริยมรตมีองค์แปดในมีอยู่ในธรรมวินัยใด พระริยะก็มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นและธรรมวินัยที่มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แมีอยู่ในเฉพาะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพันพระองค์เองเนี่ยตลอดระยะเวลาห้าสิบเอปีที่ออกบวชมานี่ไม่เคยเห็นมีอยู่ในธรรมวินัยอื่นเลยเนี่นะ มันสุภะเข้าใจเลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิของพระองค์แจ่มแจ้งนักบุกเหมือนอะไรเหมือนบุกคนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนผู้มีจักสุเห็นรูปได้ฉันใด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 บวชเนรบวชพระในสำนักของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติได้ตรัสรู้ตามด้วยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนสุพัทธะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดรธีเป็นนักบวชภายนอกมาก่อนเนี่ยนะหวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวัติกระว่าเข้าอยู่จําตลอดสี่เดือนต่อล่วงผ่านไปสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุ โดยกติกาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเป็นคนลัฐที่อื่นจะมาบวชต้องเนี่ยอยู่ปริวาสแบบเดเียร์ธีนันสี่เดือนทีนี้ไอ้อยู่ปริวาสอันนี้สี่เดือนถ้าวันไหนขาดนับหนึ่งใหม่นะจะต้องไม่มีการขาดในระหว่างเดือขาดไม่ใช่แบบ ข, ขาดๆเกินๆพกระพร่องกระแพ่ง อ, อ, อ, อ, อ, อ, อะไรเป็นต้นไม่จะต้องบริบูรณ์ติดต่อกันสี่เดือนจริงจะพอบวชได้นะแต่พระองค์ก็บอกว่าเรารู้ความต่าง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 แท้จริงพันควรที่จะทุ่มเทก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นอนยะเดรธีหวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวนันนี้จำจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อผ่านไปสี่ดวงผ่านไปสี่เดือนแล้วพิกสุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นพิษุข้าพระองค์จะคออยู่ปริวาสสักสี่ปี เมื่อผ่านสี่ปีไปแล้วขอให้พิสูุทั้งหลายมีใจยินดีแล้วขอให้ได้บรนประชาอุปสมบทเพื่อความเป็นพิสูุมาเถิดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เคยทํามาในอดีตจะผิดจะพลาดจะต้องชดใช้ขนาดไหนก็ยอมหมดนะนะขอให้ได้เจริญงอกงามในพระาศาสนาของพระ อ, องค์เป็นใช้ได้แบบนั้นเนถะิดจะทุ่มเทกี่ปีพระ อ, องค์บอกสี่เดือนจะให้อยู่สีปีก็ไม่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าใจของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะ ใจของท่านนั้นเป็นใจที่น้อมไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์จริงๆก็เลยพระองค์ก็ตรัสว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระนนว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุพธาปริภาชกบวชเธอท่านพานนก็ทูลรับพระ ด, ดํารัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วโสพธาปริภาชกก็ได้กล่าวกับท่านพระนนว่า ดูก่อนท่าน อ, อ น, นุนผู้มีอายุถือว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วนะที่พระศาสดาทรงอภิเสกด้วยอันเตวาสิกาพิเศษเรียกว่าเป็นการอภิเสกสิทธิ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะเป็นการอภิเสกในที่เฉพาะพระพักในพระศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นหาได้ยากนะที่ม่ม้าพระองค์จะอภิเสกในลักษณะนี้เพราะในลัทธิอื่นเขาถือว่า อาจารย์อภิเศกลูกศิษย์คนใดลูกศิษย์คนนั้นถือว่าอยู่ในตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยนะมีสิทธิพิเศษเท่ากับอาจารย์ทุกประการเพราะฉะนั้นท่านถือว่าท่านได้ดีแล้วที่ได้รับอภิเศกอย่างนี้ในเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านสุภัททะอุปสมบทและก็ได้อ บ, บัรติชาเนี่ยนะซึ่งท่านกล่าวว่า ได้ยินว่าพระเทระนำสุภธ า, าในไปในที่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ําจากคันโทในรถศีสักบอกตาจัปัญจกะกรรมฐานบอกเกสาโลมานขาธัรมตาตาโจนเนี่ยนะซึ่งก็บอกกายคตาสติหรือบอกกายานุปัสนาสติปทานนั่นเองตาจัปปัญจกะกรรมฐานก็คือกายานุปัสนาสติปทาน อันนะั้ก็ซึ่งเป็นแนวทางถ้าผู้รูปเวทนาก็อาศัยอะไรเกิดขึ้นก็อาศัยวัตถุคือรูปอาศัยอารมณ์คือรูปนั่นแหละเป็นที่เกิดแห่งเวทนาจิตทั้งหลายก็เกิดร่วมกับเวทนานีว้วอนและโพชฌงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าผู้ใดจําแนกแยกแยะก็สามารถที่จะแยกแยะที่จะละนิว้วอนแล้วก็เจริญโพชฌงซึ่งพระนรุนก็บอกแต่จะปัญจกกรรมฐานก็ปลงผมนูนวดครองผ้ากาสายะเสร็จแล้วก็ให้ถึงสารณคม แบบสัมมเนนที่ดีทั้งหลายพึงกระทํากันก็ให้ผู้ทางสารนังขจามิเสร็จแล้วเนี่ยนะบรรดชาเป็นสัมมเนนเรียบร้อยก็เอาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้อุปสมบทคือพระองค์เนี่ยนั่งเป็นพระองค์เป็นประธานอยู่ตรงนั้นซึ่งคําขอยาติบวชเน่ยนะบวชซึ่งก็ถือว่าพระสุพัต t h เนี่ยนะ่เป็นลูกศิษย์ของพระนนทเนี่ยนะอุปสมบทแล้วก็บอกกรรมฐาน เธอก็เรียนอริยสัจจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียนกรรมฐานกรรมฐานก็ยังไงก็ต้องเป็นสัจกรรมฐานอยู่แล้วนัานก็เลยไปพิจารณาอริยสัจในที่จงกรมที่สวนแห่งหนึ่งในอุทยานเนี่ยนะในที่ที่สวนาสารวโนทยามเนี่ยนะที่เมืองกุสินาราท่านก็ไปเจริญจงกรมพิจารณาอริยสัจภาคเพียรชําระวิปัสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาที่เห็นทุกขาริยสัจนั่นเองปัญญาที่วิจัยทุกขาริยสัจ เพื่อลัสมุทัยสัตว์เนี่ยนะจุดมุ่งหมายเนี่ยนะวิจัยอุปาทานขันห้าพิจารณาอุปาทานขันห้าเพื่อตัดฉันทะราคะในอุปาทานขันห้าเพื่อทําที่สุดแห่งอุปาทานขันห้ามันวิปัสสนาก็นับว่าเป็นสัมมาทิฐิเรียกวิวปัสสนาสัมมาทิฐิเพมันถ้ายกสัมมาทิฐิขึ้นมาแล้วมรรคที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะท่านก็เจริญวิปัสสนาตามที่สุดที่กําหนดรู้ทุกลัสมุทัยทำนิโรธให้แจ้ง ตามลำดับโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคแล้วก็อรหัตตมัคอรหัตตมัคเนี่ยนะบรรลุปฏิสัมพิธาพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าโสภัทน์นั้นหลังจากบวชแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทในการ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 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรู้ชัดว่าการปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายเดรชาญการปฏิสนธิในมนุษย์เทวดาปฏิสนธิเป็นสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือปฏิสนธิเป็นสัตว์มีสัญญาไม่มีสัญญาเนวาสัญญานาสัญญาหรือเกิดในการมมาพบรูปประพบอรูปรประพบเพราะเกิดในพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณติฏฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วอริยมรรคพรหมจรรย์ โสดาปติมัคสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคอรหัตตมัค ก, ก็อยู่จบเบ็ดเสร็จแล้วกิจการในการกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรดับโสดาปติมัคสกาธาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคสรุว่ากิจในอริยสัจ4ี่กิจ16ในอริยสัจสี่ที่ควรทําก็ทําเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นผาา้าหันไม่ได้มีเนีย่ยนะกิจที่จะต้องไปปฏิบัติให้เป็นผ้าหัน์โดยพิเศษอย่างอื่นอีก ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านสุภัฏพระก็ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายและที่สําคัญท่านเป็นสัก ข, ขิสาวกอ ง, งค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าคําว่าสัก ข, ขิสาวกหรือว่าปัจฉิมสัก ข, ขีสาวกเนี่ยนะเพืว่าเป็นพยานองค์สุดท้ายนะสัก ข, ขีพยานองค์สุดท้ายที่บรรลุตามพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะ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 เป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อบรรลมุมรคผลในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนหัวข้อสําคัญเกี่ยวกับโอวาทพระพิสุสงฆ์เนี่ยนะที่กล่าวว่าศา ส, าสนาหรือคําสอนของพระองค์จะเป็นศาสดรานนะเมื่อพระองค์ล่วงไปนั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสําคัญมากก็เป็นพรุ่งนี้ต่อไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ มันท่านพระสุภัทสะตรัสรู้ทมใดแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ขอเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยกันทุกพัานเทอญนะ